วันนี้เป็นวันอุโบสถฟังพระปฏิโมกจบลงสักครูน่นี้ตรงกับวันที่ส8ปมิถุนาห้าหนึ่งแต่ถึงยังไงพวกเราเป็นพระเป็นสากยบุตรเป็นที่อยู่วงในที่ได้รับปอบหมายจากพระพุทธเจ้าโดยในถึงยังไงพระพุทธเจ้าก็ว่าสักกยบุตรพุทธชินนรสถ้าพวกเราบวชมัน เข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าถูกตามทำนองครองธรรมถูกตามหลักพระธรรมวินัยปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้ารับรองว่าเป็นศักยบุตรอยู่ในเพศนี้อยู่ในยูนิฟอร์มนี้แต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาในเพศนี้ก็จริงอยู่ในยูนิฟอร์มนี้ก็จริง แต่ของเราใจของเรากระสับกระส่ายออกไปข้างนอกใจของเราไม่อยู่ในหลักพระธรรมีไนใจของเราไม่อยู่ในหลักเหตุผลตามแนวแถวของพุท ธ, ธะที่ท่านมีจุดประสงค์จุดประสงค์ของพุท ธ, ธะนั่นคืออะไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านวางไว้แล้วคือหลักพระัรมีไนแต่ถ้าว่าพวกเราแปลกแวกออกไปจากหลักพระธรรมีไน อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังจบลงสักครู่นี้คือศิน227อันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานเบื้องต้นถ้าว่าพวกเราถึงจะโง่อย่างไงพวกเรายังอยู่ในศิน227ข้ออยู่ก็ยังอยู่ จ, จัดว่าหยุดสักกะยบุตรแต่ถ้าว่าพวกเราแปลกแหวกออกไปจากศิน227ข้อหรืว่าด้อยลงไปพวกเรา นับเนื่องว่าเป็นศักยบุตรก็ไม่เต็มปากเต็มคําเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติตามพรทธรรมคาสั่งสอนที่พระพุทธองค์ได้วางไว้แล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์อยู่ในเพศบันปะชิตในเพศนี้ให้พยายามเข้มงวดกวดขันตรวจตราตนเองไว้อยู่เสมอและก็พร้อมกันเมื่ อ, อเราอยู่ในกรอบ ของหลักพระธรรมวินัยได้แล้วตอนนั้นก็เดินบุกไปสู่ธรรมคําคสั่งสอนอันลึกซึ้งลงไปอีกจุดนั้นก็คือจุดสติสติจำเป็นในที่ ท, ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเราอยู่นสถานที่ใดพยายามประกอบให้มีสติถ้าว่าพวกเราขาดสติเมื่อไรเมื่อนั้นสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเราอาจจะ ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้สิ่งดีหรือสิ่งชั่วเพราะเราขาดสติเพราะฉะนั้นสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราที่เข้ามาอยู่วงในหรือว่าเป็นชีวิตประจําวันหรือว่าชีวิตของนักบวชอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสติเป็นสิ่งที่จําเป็นเมื่อสติดีแล้วสมาธิก็ตามติดตามเข้ามาด้วย แต่ถ้าหากว่าสติของเราขาดร่อนรอยสมาธินั่นก็อย่าหวังว่าสมาธิที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ขาดสติอย่างเรื่อนลอยเพราะนั้นสมาธิสติสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องต้องมีสติเป็นพื้นฐานก่อนเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านพวกเราจะปลูกต้นไม้ก็ต้องปลูกตรงในแผ่นดิน ถ้าขาดแผ่นดินแล้วจะปลูกต้นไม้ในอากาศจะเป็นไปได้หรือมันเลื่อนลอยอันนี้ก็เหมือนกันแต่สติในเหมือนกับแผ่นดินสมาธิมันอาศัยสติถ้าามีสติดีแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อเมื่ อ, ม, อมีสมาธิดีปัญญาจะพิจารณาไตรตรองเหตุและผลเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันพิจารณาทบทวนหาเหตุผลจริงใด ก็มีปัญญาวิเคราะห์ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเหตุเป็นผลเพราะเหตุไรเพราะสติของเราดีจิตใจของเราเป็นสมาธิพร้อมกันก็พิจารณาทางด้านปัญญาออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันได้เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดไปยังไงก็ตามในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่หนีจากเรื่องการได้ยินได้ฟัง สุตตมยะปัญญาจินตามัยปัญญาภาวนามยปัญญามันอยู่ในจุดนี่แหละเป็นพื้นฐานที่จะก้าวเดินไปสู่มักสู่ผลได้เพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่เขามาบวชในครั้งนี้ในคราวนี้อยู่ในวัดแห่งนี้อย่าคิดส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกอย่าไปคิดว่าภายนอกเป็นสวรรค์เป็นนิมานแต่ให้พวกเราเคยผ่านมาแล้วว่ามันเป็นยังไง ให้เราวิเคราะห์ให้แท้จริงวิเคราะห์ให้สุดสุดดูเดินให้สุดสายดูไตรตองให้สุดสายดูอย่าไปเดินไปครั้งใดครั้งหนึ่งเราจะมองไม่เห็นถ้าเราเดินไปครึ่งครึ่งกลางกลางเรามีความสุขในขณะที่เราทานแต่เราไม่ได้คิดว่าเมื่อเราทานเข้าไปแล้วอาหารที่เราทานเข้าไปนะั้นเป็นพิษภัยแล้วก็พร้อมที่มันจะออกไปทางข้างล่าง มันจะเป็นยังไงมันมีความสุขตลอดไปไหมนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดให้ตลอดนี่แหละตักทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้มองอยู่จุดใดจุดหนึ่งท่านให้มองไกลให้มองตลอดนี้ก็เหมือนการชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติธรรมเราอย่ามองในจุดใดจุดหนึ่งถ้าพวกเรามองในจุดใดจุดหนึ่งแล้วใจของเราจะหลงวัวเมา แล้วก็ดุดลงในจุดนั้นว่าคิดว่ามันเป็นสุขแต่ที่แท้สิ่งที่จะตามมาในอนาคตนั้นมันไม่ใช่ความสุขมันทุกข์มาหันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ลุกสิธิ์ของท่านมองอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งให้มองตลอดลอดฝั่งถึงจุดจบของชีวิตนั่นคืออะไรในเมื่อเราเป็นเด็กเราก็มองในระดับหนึ่ง เราเมื่อเป็นหนุ่มเราก็มองในระดับหนึ่งแต่มองมาถึงกลางคนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเราก็มองอีกในระดับหนึ่งในเมื่อเท่าแก่ชราเราก็ต้องมองอีกว่าถึงเราจะไม่ถึงขนาดนั้นเราก็มองคนที่แก่กว่าเราตามขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงผลที่สุดมองถึงความตายพวกทุกคนจะต้องไม่หลีกลีหนีไม่พ้นจุดนั้น จะถึงจุดจบเมื่อถึงจุดจบแล้วเขาทำยังไงพวกที่อยู่เบื้องหลังเขาจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเหรอไม่ได้เพราะมันมีกลิ่นมันมีเหม็นเออมันเป็นพิษภัยเพราะนั้นเขาจะต้องจัดการตามเรื่องราวหรือว่าที่มีเหตุผลยังไงตายแล้วฝังหรือตายแล้วเผาอย่างนี้เขาจะต้องจัดการตามนั้นไม่ฝังก็เผานี่แหละชีวิตของมนุษย์ ที่พวกเราเห็นเห็นกันอยู่แต่พวกเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกลี่หนีพ้นจากจุดนั้นไปได้เพราะนั่นให้พวกเราพิจารณาไตร่ตรองตั้งแต่แบบเบื้องต้นจนถึงวาระสุดท้ายของเรานี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนสารสิทธิ์หรือว่าตุกสิทธิ์ของพระพุทธองค์สากยบุตรท่านให้พิจา ร, รณาตั้งแต่เบื้องต้นถ้ำกลางและขัสุดท้าย ยาได้ลุ่มหลงมัวเมาหลงในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสวรรค์วิมานที่จะนําความสุขมาให้มันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นจะมาเหยียบย่ำจิตใจของพวกเราเพราะนั้นให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วให้ตั้งอยู่ในอัภปปิมานธรรมคือจะตั้งอยู่ในความประมาทให้พิจารณาไข ค, ควรไต่ตองไว้อยู่เสมอ ให้มีจิตใจมุ่งมั่นอยู่เสมอให้มีจิตตั้งจิตอธิษฐานไว้อยู่เสมอในใจให้จิตมุ่งมั่นให้จิตมีอธิษฐานไม่ในใจให้เรามีศรัทธาคือความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในพ่อแม่ผูบาญาการไว้อยู่เสมอถ้าว่าพวกเราขาดความเชื่อไม่มีความเชื่อเราอยู่แบบชังกระตายอยู่แบบช่างกระตายอยู่ไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วให้ถามตนเองว่าข้าไปอยู่ไปทไําไหมแอบ ถ้าไม่ปลูกศรัทธาสิ่งเราที่ต้องปลูกศรัทธานะปลูกศรัทธาในจิตในใจนะถ้าไม่ปลูกศรัทธาแล้วไม่มีศรัทธาในจิตในใจแล้วอย่าหวังเลยธรรมะขั้นสูสงสที่จะมาเข้าสู่จิตใจของพวกเราได้ถ้าหมดศรัทธาและหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดอะไรตายอยากในชีวิตดูแบบไม่มีอนาคตพวกเราต้องการเหรอปราตรนาอย่างนั้นเหรอสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องปลูกใจให้สู้นะ เมื่อท่าปกใจไม่ขึ้นใจไม่สู้แล้วเอล้มเละเหลวแล้วมองสิ่งภายนอกเอเป็นเครื่องสนุกเป็นเครื่องเล่นออกไปแล้วนั่นแหละจิตใจของเราจะตกต่ําเมื่อจิตใจตกต่ำนั่นแหละอะไรเป็นเครื่องหวังมรรคผลนิพพานอย่าหวังเลยต้องหวังนรกต้องหวังอวิชีต้องหวังสัตธิรรานนั่นแหละจึงจะถูกแต่เพราพวกท่านทั้งหลายมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงมรรคผลนิพพานรอพวกเราอยู่ เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะ่พูดทางนี้ทางนั้นนะปลูกศรัทธานะคือความเชื่อนะเชื่อในพ่อแม่ผูบาอาจารย์เชื่อในพระธรรมคําคส่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราไม่มีจุดนั้นแล้วเราถามตัวเองว่าเราอยู่เพื่ออะไรเราอยู่ไปทําไมเราไม่มีทางไปแล้วเกก็็นนนนิววงปัใช่ไห ม, เ ร, ไ ม, ม, ไไหมเราหมดทางไปแล้วใช่ไหม ถ้าว่าไม่หมดทางไปเราต้องปลูกสธานในความเชื่อต้องค้นคว้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศึกษาให้เข้าใจจากนั้นยกระดับจิตใจของตนเองให้สูงส่งขึ้นกรรมฐานไหนที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แนะนําให้มีความตั้งมัน่นมีความตั้งใจจริงถ้าว่าจะเอาบริกรรมไหนบริกรรมบทไหนต่างที่ได้พูดแล้วพูดอีก พุโทโธเนี่แหละเป็นหลักเป็นหลักจิตทางจิตใจอย่าไปให้ปล่อยจิตปล่อยใจออกไปข้างนอกบริกรรมพุโทโธให้แน่นบริกรรมพุโทโธให้จริงจังการอยู่การกินการหลับการนอนการไปการมาสนทนาปารพัพวกเราอย่าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสําคัญพราะเราเคยทํามาแล้วมันได้อะไรมีแต่ทวงจิตใจของเราลงต่ําไปเรื่อยๆเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่จะ ยกจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นเรามีจะเปลีกตัวออกจากสิ่งเหล่านั้นตนเองฉันน้อยนอนน้อยพูดคุยน้อยปลีกตัวออกหาสู่ความสงบตามลําพังพยายามนั่งให้มากเดินโยกลมให้มากนั่งให้มากปลีกตัวอยู่ตามลาพังนั่นล่ะเป็นหนทางที่จะนําสู่จิตนําจิตนําใจของเราให้สูงส่งขึ้นแต่พวกเราจึงมั่วสุมยังถือว่าการพูดคุยกันเป็นเรื่อง ธรรมดาแล้วนั่นแหละมันจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆการที่จะภาวนาในวัดของเราก็ให้ปรึกษากันถ้าว่าผมจะเอาผมจะภาวนาแบบอุกฤษนะคราวนี้ผมจะไม่ขอพบกับหมูพวกเพื่อนสักเจ็ดวันผมจะไปภาวนาอยู่ตามลำฟังสักเจวันแต่ผมก็จะให้สัญญาแก่ผู้ที่อยู่ใกล้ว่าผมไม่สบายยังไง สะดวกยังไงก็ให้เป็นที่รู้กันจากนั้นก็ตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาเอาให้มันแน่นหนามั่นคงเข้าไปผมไม่ได้ว่าถ้าเพื่อนมีความตั้งใจเรื่องกิจวัดข้อวัดนี่เป็นสิ่งภายนอกผมมุ่งหวังทา้งด้านจิตใจมากกว่าแต่ถึงยังไงถ้าว่าเราอยู่ถ้าเราไม่มีกิจวัดข้อวัดอันนั้นไม่ดีถ้าว่าเรามาฉันนั้นมีกิจวัดข้อวัดปัดกวาดอันนั้นคือกิจวัตรประจําวัน ถ้าว่าเราไม่มีการปัดกวาดจิตใจจะเศร้าหมองจิตใจจะไม่ผุดผ่องจะจิตใจจะไม่ผ่องใสจิตใจจะมีขยะอยู่ในจิตใจแต่สิ่งภายนอกขยะแล้วแล้วภายนอกภายในก็ต้องขยะอยีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งภายนอกถึงทั้งภายในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้สะอาดกายสะอาดใจสะอาดกายก็คือการเป็นอยู่ทุกอย่างให้ดูแลให้สะอาดแต่ส่วนจิตใจนั้น มันจะไปเป็นไปเองมันออกมาจากใจถ้าใจสกปกรกรกุลงรังแล้วภายนอกมันก็จะรกรุลงรังไปตามเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะไปภาวนาอยู่กุติหลังไหนล้านหลังไหนที่หงวัดของเรามันกว้างขวางแต่ถึงยังไงบริเวณที่กุติที่พักของตัวเองต้องสะอาดต้องปัดกวาดใตถุนกุติอะไรที่พักพาอาให้สะอาดจากนั้นก็นั่งภาวนา ถ้าเป็นได้อย่างนั้นนั่นละ่ะใจของเราจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆเห็นบริเวณที่พักพาอาศัยให้สะอาดแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ดูแลในกิจวัตรข้อวัดแล้วนั่นละ่ะใจของเราก็จะมันเศร้าหมองไปด้วยกันใจเศร้าหมองการเป็นอยู่ก็เศร้าหมองเพราะนั้นถึงเราจะไปภาวนาตามลําพังที่ไหนก็ตามตาไม่จริงมันอัตโนมัติเลยนะผมว่านะอย่างผมเนี่ะ อย่างที่ไปอยู่ที่คูบาจาย์อยู่ที่วัดป่าบันตาถึงผมปรีปีกตัวไปภาวนาอยู่ในร้านตื่นเช้ามาผมต้องปัดกวาดตอนเที่ยงมาผมปัดกวาดตอนเย็นมาผมปัดกวาดปัดกวาดจนเกลี้ยงจนไม่มีใบไม้เลยถ้าเดินยังกรมไปเห็นใบไม้มันหล่นอยู่มันขวางอยู่มันก็มืดก็ขวางอยู่นั่นคือมันไม่สะอาดต้องปัดกวาดให้เตียนโร่องจากนั้นค่อยเดินยังกรมนี่แหละ ผมเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างนั้นทุกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าเห็นใบไม้ในทางยงกรมผมต้องต้องปัด้ะก่อนผมจะไม่เดินเหยียบย่ําไปใบไม้ที่มัน ม, มีมีอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุอะไรมันรู้สึกมันขวางมันอยู่ในใจพูดแล้วเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการภาวนาต้องหาช่องทางต้องหาทางปฏิบัติพยายามปรับยกระดับใจของตนเองอันดับแรกคือปลูกให้มีศรัทธา ศรัทธาก็คือเชื่อในพระธรรมคํำ ส, สอนเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาจากนั้นก็มีสติเสติมาก่อนสติสําคัญจําเป็นในทุกที่ทุกสถานจากนั้นก็สมาธิเมื่อสมาธิดีแล้วปัญญาปัญญาคุปพิจารณาไตร่ตรองเหตุและผลอย่ามองใกล้อย่ามองใกล้ให้มองไกลเกิดมาแล้วเป็นยังไงจนถึงเป็นกระดูกเป็นอย่างนั้นไหม ใจยอมรับไหมนี่แหละให้พิจารณาถึงจุดนั้นถึงจะพิจารณาอย่างไรก็ตามแต่ใจใจที่พิจารณาในสิ่งเหล่านั้นรู้ในสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละจุดนั้นะคือพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านตระหนักหรืองเน้นหนักจุดใจใจที่มองเห็นตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางวรรคชุดท้ายใครเป็นคนมองเห็นใครเป็นคนรู้ ตัวนั้นแหะเป็นจุดที่จําเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสําหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านตระหนักถึงจุดนั้นคือใจจะพูดไปยังไงก็ตามจะพูดมากมายกายกองมาหาสารขนาดไหนถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องใจแล้วแปลว่ามันยังไม่ถึงจุดสุดท้ายถ้าผมพูดถึงเรื่องใจนั่นแหละ ใ, ใจเราคิดเรื่องอะไรใจเรามีมีเหตุมีผลไหมใจมีคุณธรรมในจิตใจไหมใจเราได้ฝึกหัดดัดหรือยัง ใจของเรามีคุณธรรมหรื อ, อยังใจของเราได้อบรมดีแล้วอย่างถ้าใจของเรามีสติมีสมาธิอบรมปัญญาไ ต, ตรตองเหตุและผลจะพูดจะคิดจะทําสิ่งไหนก็เป็นที่สบายอกสบายใจสําหรับหมู่พวกเพื่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่พวกเราขาดสติจิตใจไม่เป็นสมาธิการแสดงอะไรออกมาจะออกสุดตกเนบางทีก็มันจะเล่นงานตัวเองก่อน คือราคะมันเล่นงานจากกัดจิตใจจากนั้นก็ออกมาทางโทรศสสัพศูนย์เฉียวเห็นหมู่เห็นเพื่อนครูบาอาจารย์เพราะออกมาจากมืก่อกโมหะนะโลภโกรธหลงมาอยู่ในด้านหมดเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะให้ฝึกให้อบรมจิตใจของพวกเราถ้าจิตใจได้รับการอบรมด้วยสติด้วยปัญญา ด้วยธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจของเราจะร่มเย็นเป็นสุขไปณัดสถานที่ใดอยู่ณสถานที่ใดอยู่กับหมูกับเพื่อนอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับใครใคก็ร่มเย็นเป็นฉุขไปหมดถ้าถ้าว่าใจของเรามันร้อนแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ร้อนไปอยู่ตามลําพังก็ร้อนคิดว่ามันจะเย็นนะไปอยู่ตามลําพังก็ว่าเหวอ้างว่ามันมีทางออกอยู่กับหมูกับเพื่อนก็หงุดหงิดหุ่น ง, งาดฉุนเฉียวโมโหโทโสให้แก่ หมู่พวกเพื่อนนี่แหละอันนี้แปลว่าจิตใจของเราไม่ได้รับการอบรมทางด้านธรรมะเพราะฉะนั้นพวกเราให้พยายามนะอบรมจริตใจของตอนเองให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยเนีย่ยวันนี้แหะให้อยู่ในศิ่งสองรี่สิบข้อเป็นพื้นฐานจากนั้นสิน่งนพิสมัยจาร์พวกเราพยายามประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบจากนั้นเลยสิ่งดีดีแล้ว สมาธิเมื่อก็อเกิดขึ้นได้สิ่งดีแล้วสมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิกเกิดปัญญากเกิดตามมาแต่ตามไม่จริงปัญญามีหลายระดับคนไม่มีสิ่งคนไม่มีสมาธิจะเกิดปัญญาได้ไหมก็เปิดปัญญาได้โลกโลกของเขากเกิดปัญญาได้แต่ว่าคนที่มีจิตใจเลื่อนลอยที่คนขาดสติล่ะที่คนเป็นบ้า่ะมันไม่มีอะไรที่จะยับยัง้งจุดนั้นได้ถ้าคนมีสติ อยู่สมาธิมันก็ต้องมีไม่มากก็ต้องน้อยในคนที่มีสติอยู่เถ้าว่าคนขาดสติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายขาดสติมากๆเป็นยังไงไปเห็นคนบ้ากแล้วกันนั่นแหละคนขาดสติอย่างมากๆ ม, มันเป็นยังไงเพราะั้าคนมีสติเป็นยังไงคนมีศีลเป็นยังไงเมื่อคนมีศีลแล้วก็มีสติมีสมาธิ ม, ม, าธมีปัญญามันจะไปตามแนวแถวนั้นเพราะะฉนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะ ให้ศึกษาจุดนี้สุดตรมยปัญญากินตรมยปัญญาให้ไขควรทบทวนไตรตองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังทุกครั้งเอามาทบทวนน้อมเข้ามาหาตนเองโอปัญิโกนะโอปัญโกถ้าโอปัญโกทุกครั้งแล้วนั่นแหละเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะการแนะนําให้คําพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรหลังพระปฏิโมกเป็นแนวความคิดนะพูดแล้วพูดอีกย้ําแล้วย้ำอ ขนาดยําแล้วยับิดถึงขนาดนี้ยพวกเราก็ยังขาดสติขาดความรอบคอบให้เห็นอยู่บางครั้งก็ตําหูตําตาขึ้นมาเพราะเหตุใดก็พเพราะนี่แหละไม่ได้ไตรตรองด้วยเหตุและผลเพราะฉะนั้นพวกเรานะให้ไตรตรองด้วยเหตุและผลถ้ามีสติสัไตรยชัญญะอยู่ในคิดในใจอยู่ตลอดแล้วนั่นแหะการผิดพลาดก็จะมีน้อยถ้าพวกเราขาดสติแล้ว จะทำอะไรจะพูดอะไรออกไปก็มันจะต้องไม่เป็นที่เจริญตาเจริญใจแกผูพกพบเห็นการพูดในวันนี้ก็เห็นสมว่าสมควรหรอขอยุติต่อไปก็สวนท้ายปฏิโมกต่อไป